สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สองพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในหมวดปบทสานนั้นเราพบว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสในอ่าน หนงอ์กษัตริย์นะครับตั้งแต่บทที่1บทที่2มาพี่น้องก็จะเห็นภาพต่อเนื่องในการที่พระเจ้าได้ทรงนําทรงตั้งกษัตริย์และพระเจ้าได้ทรงนําโซโลมอนซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดอย่างไรพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นทรงมีน้ำพระทยัยโปรง่งทรงมีความยุติธรรมโปรง่งทรงมีวิธีการจัดการกับคนประเภทต่างๆชนิดต่างๆที่อยู่ในพระกรมภีร์ และบทเรียนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเหล่า น, นั้นกลายเป็นบทเรียนของเราด้วยเช่นเดียวกันครับผมอยากจะเล่าเรื่องคร่าวๆในหนึ่งพงกษบทที่สงหนึ่งพงกษบทที่2นั้นก็เริ่มต้นด้วยการที่ว่าดาวิดนั้นใกล้จะสิ้นพระชนโปรงก็เรียกโซโลมอนมาแล้วก็กำชับบอกว่ากำาลังจะจากไปแล้วขอให้เข้มแข็งและ ขอให้รักษาข้อกาหนดที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ดำเนินในทางของพระเจ้าและปฏิบัติตามกฎหมายพระบัญชาบทบัญญัติข้อกาหนดของพระองค์แล้วจะได้เจริญชีวิตของเจ้าจะได้เจริญไม่ว่าเจ้าจะไปที่แห่งหนตําบลใดหรือเจ้าจะทำสิ่งใดพระเจ้าจะอวยพ ร, พรองพระบุญเจ้า จะทรงทำตามพระสัญญาที่พระองค์ได้บอกไว้กับพ่อบอกว่าหากลูกหลานของเจ้าระมัดระวังวิธีการดำเนินชีวิตของตนซื่อสัตว์จงรักภักดีต่อเราอย่างสุดใจสุดจิตสุดวิญญาณเจ้าจะไม่ขาดคนครองบันลังอิสราเอลเออเล ย, เเลยนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้กำชับโซโลมอนอย่างเป็นมั่นเหมาะครับหากทาตามพระสัญญาของพระเจ้าหากเชื่อฟังกฎบัญญัติที่ให้ไว้กับโมเสศ ราชวงศ์ของดาวิดที่ผ่านไปทางโซโลมอนนั้นจะไม่ขาดคนครองบันหลังอิสราเอลเลยนั่นก็เป็นความจริงในสมัยต่อมาครับพี่น้องนี่คือประการแรกที่กษัตริย์ดาวิดได้กำชับโซโลมอนสิ่งต่อๆไปที่พูดถึงเรื่องของคำกำชับก็คือกำชับให้ประหารหรือตอบแทนโยอาบครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่าโยอาบในคือใคร แต่ว่านี่คือคำําชับของกษัตริย์ดาวิด ท, ที่จำชับโซโลโมอนว่าให้จัดการกับโยอาบโยอาบนั้นเป็นบุตรของนางเซรุยาโยอาบนั้นก็ได้ฆ่าอับเนอร์บุตรเนอร์และอามาซาบุตรเยเทอร์สองคนนี้ก็เป็นแม่ทัพในกองของกษัตริย์ดาวิดครับแต่ว่าโยอาบซึ่งฆ่าอับเนอร์และอามาซาโดยที่ว่าไม่มีเหตุมีผล และทำให้เขาทั้งสองหลั่งเลือดในยามสงบครับแทนที่จะออกไปสู้รบตบมือกับข้าศึกแต่ต้องมาฆ่ากันเองข้าศัตรดาวิดก็กำชับโซโลมอนว่าขอให้ใช้สติปัญญาจัดการกับเขาอย่าปล่อยให้เขาแก่ตายแล้วก็พูดถึงเรื่องต่อไปครับก็คือลูกๆของบาซิไลแห่งกิเลอาตคนพวกนี้ช่วยดาวิดครับตอนที่หนีจากอับสลม กษัตริย์ดาวิดก็กำชับให้โซโลมอนนั้นตอบแทนบุญคุณเขาแล้วก็อย่าลืมชิเมอีชิเมอีคือใครครับชิเมอีนี่คือคนที่แช่งด่ากษัตริย์ดาวิดตอนที่กษัตริย์ดาวิดไปยังมหานาอิมก็คือตอนที่ละเฮเ ล, ล่อนหนีภยัยชิเมอีก็ชิเมอีก็ออกมาด่าว่าและสาบแช่งกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ ด, ดาวิดก็เลยกำชับให้โซโลมอนจัดการเหมือนกัน หลังจากนั้นพระคัมภีในข้อที่10ครับก็ได้กล่าวว่าดาวิดก็จงล่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและอยู่ถูกฝังในเมืองดาวิดดาวิดปกครองอิสราเอลนั้นเป็นเวลา40ปีและดาวิดก็มีอายุ70พรรษาขณะที่ได้จบชีวิตลงพี่น้องครับพระคัมภีก็กล่าวต่อไปว่าบรรลังของโซโลมอนนั้นก็มั่นคง แต่เกิดปัญหาครับก็คืออาโดนิยาพี่น้องคงจำอาโดนิยาได้นะครับว่าเป็นพี่ชายของดาวิดเป็นราชบุตรราชโอรสองค์ที่สเมื่อตอนอยู่ในหนึ่งพงศษัตรบทที่หนึ่งเขาก็เป็นขบฏอาโดนิยาก็คิดร่วมกันวางแผนกับโยอาบและปุโรหิตอาบิยาธาโดยอาโดนิยานั้นก็มีพฤติกรรมดังนี้ อาดูยาก็ไปหานางบาดเชบาซึ่งเป็นแม่ของกษัตริย์โซโลมอนแล้วทูลขออาบีชากซึ่งเป็นหญิงชาวชูเนมซึ่งเป็นผู้ที่เป็นภรรยาของดาวิดที่ได้โปลนิบัติดาวิดก่อนดาวิดตายปรากฏว่านางบาดเชบาก็ไปทูลขอโซโลมอนว่าขอให้อาบีชากนั้นเป็นภรรยาของอาดูยาต่อไป แปลว่ากาตรโซลมมนนั้นฉลาดครับกาัตโซลโมอนอ่านแผนและเจตนาของอาโดนิยาครั้งนี้ออกชัดเจนครับว่าเขาสมคบคิดกับปุโรหิตอาบิยาธาและโยอาบปุตนางเสริยะแล้วก็เพื่อที่จะแสดงตัวว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ครอบครองฮาเรมของกษัตริย์ต่อไปพี่น้องครับการที่ครอบครองฮาเรมเป็นการหยาม กษัตริย์โซโลมอนเป็นการที่ว่าเป็นความพยายามชิงบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการครอบครองฮาเร็มของกษัตริย์เท่ากับการได้รับสิทธิในการสืบทอดบัลลังก์แม้ว่าอาบิชากนั้นจะเป็นหญิงพมจาีเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่ทุกคนก็ถือว่าเธอนั้นเป็นหญิงคนหนึ่งในฮาเร็มของดาวิดแม้ว่ายังไม่มีอะไรกันกับดาวิดเลยดังนั้นการแต่งงานกับอบิชาก ก็จะทำให้การอ้างสิทธิในบัลลังก์ของอาโดนยานั้นยิ่งหนักแน่นยิ่งขึ้นบริหิตอาเบียธาและโยอาบนั้นก็ร่วมกันวางแผนแต่กษัตริย์โซโลมอนถือว่าอาบียธาและโยอาบนั้นจำเป็นที่จะต้องรับการลงโทษเช่นเดียวกันในข้อย3 2 4ิบเราจะพบว่าโซโลมอนใช้สำนวนการสราปแช่งครับบอกว่าขอพระเจ้าทรงจัดการกับเราอย่างรุนแรงที่สุด ถ้าพวกเขานั้นไม่ตายในวันนี้กาย์โซโลมอนนั้นก็ตัดสินพระไทยตัดสินใจในการทำตามคำําชัดของเสด็จพ่อคือดาวิดทันทีครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบทที่สองก็เป็นเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการล้างแค้นแต่ว่าไม่ใช่ครับจะเป็นการพิพากษาลงโทษลงโทษคนที่ได้อ้างว่าทาสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างมีเหตุมีผล พี่น้องครับเวลาที่คนเหล่านั้นจะทำอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีต่างก็มีเหตุผลทั้งสิ้นแต่สิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นเราจะตัดสินได้อย่างไงครับว่าคนคนนั้นผิดหรือถูกคำตอบก็คือดูที่เจตนากษัตริย์ดาวิดนั้นได้กาชับโซโลมอนว่าคนต่างๆเหล่านี้ที่กษัตริย์ดาวิดเสด็จพ่อกาชับให้จัดการกับเขาเป็นคนที่ ทำด้วยเจตนาที่ร้ายหรือไม่ดีหลายครั้งทีเดียวในชีวิตของพวกเราครับการกระทําใดๆที่เกิดขึ้นให้คนอื่นเห็นอาจจะไม่ใช่มีเจตนาที่ดีอาจจะมีเจตนาแฝงเ จ, จตนาร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่พี่น้องครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เปิดเผยสิ่งต่างๆเหล่านี้ในที่สุดบางครั้งบางคนได้ทาบางสิ่งบางอย่างด้วยเจตนาที่ร้าย นะครับเจตนาที่ไม่ดีอันนั้นอย่าลืมครับว่าในที่สุดนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษอย่างแน่นอนแล้วใครแหะครับจะเป็นคนที่พิพากษาลงโทษขั้นสุดท้ายขั้นเด็ดขาดอันนั้นคือพระเจ้าครับเราเห็นว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้พระคัมภีร์กําลังให้เราเห็นครับว่าพระเจ้าได้ทรงใช้โซโลมอนจัดการกับคนที่เจตนาร้ายการกระทําที่ ออกมาดูเหมือนดีแต่เจตนาร้ายก็จะถูกพี่ภาคษาหรือการกระทาที่ออกมาแล้วแล้วข้ออ้างมีข้ออ้างต่างๆมีเหตุผลต่างในการกระทาสิ่งต่างเหล่านั้นพี่น้องครับอย่าลืมครับหากมีเจตนาร้ายก็ไม่ถูกต้องพระเจ้าได้เปิดโอกาสในรัชสมัยของดาวิดให้คนเหล่านั้นที่มีเจตนาร้ายเป็นคนที่ไม่ดีได้กลับใจแต่เมื่อชีวิตของดาวิดสิ้นลงโซโลมอนเป็นผู้ที่พิภากษา กษัตริย์ดาวิดนั้นได้ให้โอกาสตลอดชีวิตในการครอบครองของเขาดาวิดนั้นมือของเขาไม่ได้ทําร้ายคนเหล่านี้เลยแต่เมื่อถึงเวลากําหนดพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้โซโลมอนนั้นมาจัดการครับนี่คือบทเรียนในเช้าวันนี้พี่น้องครับหากว่าเราจะตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอให้ดูที่เจตนานะครับ ดูที่เจตนาถ้าเจตนาร้ายก็ขอให้เรากลับใจใหม่ครับอย่าให้เป็นเหมือนกับโยอาบและพักพวกของเขาอีกสองคนซึ่งไหนที่สุดก็ถูกจัดการครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับบทเรียนต่างๆเหล่านี้พบกันวันพรุ่งนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมน